กับพุทธศาสนาทำปี จ, จังนึงกันทำเพื่อการปล่อยวางจะทําอะไรกะทําได้แต่ทำ ใ, ในการปล่อยวางถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นงนั้นมันเอ ง, งทีกําลังใจมันก็ไม่มีนะธรรมดาโลกของเรานะทําทีรีส์ก็จะอยากได้มั น, ม น, อนะ น, น, นอย่างเช่นคุณหมอคนหนึ่งก็คงอยากได้อะไรมีที่ไปหานะ มันมุ่งอย่างนี้เลยมากไอ้คนทํางานพวกประการนั้นก็อยากใจมันแบบนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องนี้เป็นที่ของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราทํางานตามหน้าที่ของเราที่ว่าเราทำอย่างนี้มาแล้วทํางานที่มันถูกต้องที่มันสบายจริงๆนะเป็นธรรมมาที่ผีที่ความถูกต้องอย่างเราปลูกต้นไม้ต้นนึ่งเนี่ย แต่เราอยากจะได้ผลมันทํายังไงเราถึงจะสบายเราจะปลูกต้นไม้ต้นนีงมันเป็นภาระหรือจะเป็นภาระหน้าที่ของเราจะจะหาต้นไม้มาก็เป็นภาระของเราจะมาผุดหลุมก็เป็นภาระของเราจะปลูกต้นไม้เสร็จมาเอารดีนกบเข้าไปจะเป็นภาระของเราให้น้ําก็เป็นภาระของเราให้ปุ๋ยก็เป็นภาระของเรานะอืรักษาแมลงต่างๆก็เป็นเรื่องของเรา หยุดแล้วพอเรื่องต้นไม้มันจะโตเร็วโตท่ามันจะเรื่องของเรานะลอยวางให้ไปตัวนั้นเนี่ยแล้วพยายามทําเหตุมันหยุดว่าชาวสาราปลูกต้นไม้เราอยากจะเป็นไม้ตัวเองไม่ไดมันจะเป็นผลไม่ได้มันจะโตไม่ได้มันจาะยาไปคิดที่มันไม่ใช่เรื่องเรามันจะเรื่องของต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้นั่นต้นไม้มันโตเร็วโตช่าเหตุอยุดที่เราแล้วเราพยายามทําเหตุนั่นเอมันเหมาะสมจริง ให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแรงไม้มันไปพนมันดีเด็ดด้วยไอ้เรื่องต้นไม้แต่ตัวเรืตัวชาเนี่ยให้เป็นเรื่องของต้นไม้ไม่ใชเรื่องของเราแต่มันเกี่ยวข้องกันภายในของมันนะถ้าเราถ้าเรารักษาดีไอ้ต้นไม้จะเปลนแาลตามสภาพนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ตก็มันจะสบายแต่เราคิดว่าทั้งเราปลูกมันทั้งเราให้ปุ๋ยมันรดน้ำมัน ทางเราจะไปรืีบท่านเป็นหมมันโตวันต้องวันนั้นก็องทุกข์อยู่ที่ธุรานฎร์ธานีเรนี่เร่องแต่โตเรือโตช้างมันเรียกงขอเป็นไหมันจะไปคิดให้มันมากถ้าเหตุมันดีแล้วผลมันก็ต้องดีเพราะทำทางหลายเกิดจากเหตุมันอย่างนีอย่างหน้าที่การงานของเราเราก็ทำไปเหมือนกันไอ้ผลนบางทีจะจรองรับมันก็เกิดจากเหตุมันเองเราทําอย่างนี้ให้มันมากมันเรียกว่า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 เพราะว่า อ, อ, อนั่นเป็นผลเหตุมาเกิดจากการกระทำเราทีนี้เนี่ยถ้าคิดตรงนี้ทุกๆคนมาพยายามคิดตรงก็เบาใจเลย<ม>จะทําการงานตามหน้าที่ของเราอืแล้วเรารโดดภาพไปเอาหน้าที่ของต้นไม้มาทํามันก็ยุ่ ง, งอทีแล้วไปดูวันนี้ตัวตัรงนี้ตัวตัวหนุนดีกว่าเฮ้ยัน้นที<ม>่ไป<ม>ทําอย่างนี้ดีกว่าอมันมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยทำทำงานที่ถูกต้องก็เป็นเป็นอย่างนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิใช่เป็นที่ มันมากี่วะเดี๋ยว่ถูกต้องแล้วแต่ว่าสิ่งธรรมดามันกวนมันแมลงไม้มันโผลม่ลมันก็ควรทําใจให้แต่คนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะสบายใจนะ เ, เมื่อเราทําเหตุการณ์อย่างนี้ที่เราทํามีการงานรวมกั น, นหลายกลุ่มถ้าเราจะทําัวมันจะดีขึ้อขออ น, น, น, นอย่างเงี้ยอะไมีผัดมาร้อนแล้วเนี่ยเนใจคนไดแต่คนหนึ่งเนี่ยเป็นจิตใจของเราอย่างนี้แล้วก็ถืองวันที่นี้ มันเรื่องเป็นธรรมดาเข้าไหมเรื่องมิลภากับเรื่องแสนละเสะมันเปคู่กันถ้ามิลภาไม่มีแสนละเสะเหก็ไม่มีแสนละเสะเหไม่มีมิลภาก็ไม่มีเราจะต้องสู้ในสองแง่นี่เลยได้เมื่อเขามิลภาเนี่ยก็คือเขาช่วยเราเตือนเราแสนละเอะนรับถึงมาจะช่วยเราเตือนเราเมื่อของเตือนเราใช่ไหะแก่คนเราไปคิดอย่างงนั้นถ้าเขามิลภาเราไม่ชอบ หนักใจถา้าผู้เชิเสืเเ่อก็หายใจลงก็หน่อยนี่างนี้นั้นจเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จ ก, กว่าของสองอย่างมันคู่กันอย่างที่ว่าเราทํางานที่ถูกเนะี่ยมันต้องผิดมาก่อนถ้าผิดแล้วรู้จักจถูกถูกแล้วรู้จักจผิดถ้าไม่รู้จักผิดจะไม่รู้จักถูกมันเป็นเรื่องของธรรมดายอย่างนี้นแท้ถ้าเรารู้อย่างเนี้ยถ้าเราคิดอย่างนียยไ้ได้ก็เลการปล่อยวางวมันก็ต่องทยอยมาตามเรื่องพวกมัน อันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนคนเดียวนะทุกค น, นพยายามทําอย่างนี้พยายามคิดอย่างนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าการสอนว่าทําอย่างนี้มันดีแต่ว่า ท, ทำสองคนสามคนคนอนื่นในรูเทียงมันจะทําสิ่งที่ไม่ดีมามันก็ควรกันเป็นธรรมดาแล้วก็ถือว่าอันนี้โลกเลก ม, เเรรมกืองโลกในที่เมืองชาติพานธ์แค่จำเป็นอย่างนี้อยู่ที่นี่มีคนนินทานเราสู้ไม่ได้ ไปอยู่ข้างหน้าก็มียิปคุนินทาเนี่ยสั่งฟ้องเงินนินทาเราอยู่เอาฉันมะเจอมีนี่นินทาคนนี้มันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้อย่างนั้นเราก็รบมาแก้สิ่งทั้งสองอย่างนี้แหละที่มันเป็นคู่กันอยู่นี่เจ้าอะไรรุ่นด้วนไมได้หรอกไม่ได้อือจะต้องมีอย่างนี้เรื่อไปเป็นอุปสรรคมีเรื่องอุปสรรคอือเราจะต้องทํางานจะต้องผ่านอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่มีทุกไม่มีทุกก็ไม่ได้ิด เนะออมันนี้ทุกมันได้คิดท่านใช่ว่าทุกข์สัตว์พระพุทธเจ้าว่าทุก ข, ข์สัตว์เป็นสัตว์จะทำมันเป็นของจริงทุก ข, ข์สัอืมถ้าเราคิดไปตามทำตามธรรมะาแล้วเน่ะใจเราก็พอยสบายมันสอนใจเราไปด้วยช้อนใจเราไปด้วยเราบอกคิดแต่ส่วนน้อย เ, มมอเท่าไงมะมุ่งต้นหนึ่งเราปลูกคนมาหวังผลเหมืนนะมันได้รับผลทุก ทุกลูกนะโอ้โหตัวมันจะได้ทานไอไอไอผลที่มันสุกนมันขึ้นไปกี่ลูกกี่ใบกี่อะไรด้วยทามันเป็นงนั้นไอโผกมาม่วงมันโดนที่เหมือนใช่ไหมมันจะเป็นอยังองมันโดนไปด้วยมันตกไปด้วยแล้วก็ปูไปด้วยแดดแล้วก็ไปทานผลมะม่วงทุกวันนี่ก็เพราะมันกินอย่างนั้นเนี่ย้านไปเหี่ยดนะไอโผโดนที่เหมล้วก็ไม่กินมะ่วงกันเลยแล้วก็เป็นเรื่องของแบบนี้อืม ให้เราไปย้อนหาเหตุมันจังเหตุมันไปย้อนมาเหตุมันอย่างไงไม่รู้ไปเห็นว่ามันอยู่ในที่ดีครับไม่น่าคนจะไปคิดไปโค้นเห็นมันยังไงนนะอืในสะดวกจงทําที่มันสะดวกให้มันสะดวกเป็นมาเอ่ความจริงถ้าเราทําที่มันถูกต้องมันเน่ยมันืิดไปของมันทุกคนเนี่นู่นพาเราเนี่ยที่นี่มันนิพาเราเราทำอะไรเราจะทนพูดถ้าเราไม่แก้เราก็ทุกข์จนตายทุกข์จนตาย บางคนถามอาจารมาว่าลุงพ่อแม่ข้าสาปจิตทำยังไงเนี่ยุ่งก็ไค่ามันตาดเล่ามียุ่งคุณคนณ่ายุงมากี่ปีแล้วผมข่ามันจะรููริงสาผมข่ายุ่งหมดหรือเปล่า <laughs> ถึงคนจะชีวิตที่ยุ่งจะนั่งข่าจะยงุยงยุมันก็ไม่หมดอมืถ้ามันไม่หมดถ้ามันไม่หยุดยุงไม่หยุดเราก็หยุดกว่า หยุดจะดีกว่าก็ไม่มีอะไรกันนี้ถ้าเราไปสู้อย่างนี้มันก็แพ้มันเรื่อยไปดิหาอยากกันยุงมาตะทีหามุ่งมาตะทีหาอะไรมาตะที่สัตย์เดชานั้นน่ะมันเห็นที่กินของมันน่าก็กินมันก็กินมันรู้สึกภาษาคนมันเป็นยังไงมันก็กินการหากินของอยู่เราก็ต้องมีความรู้สึกหรือคิดเหนือกว่าสัตย์เดชะที่เราจะไปเล่นทะยงมันก็แพ้มันเรื่อยไปแล้วจะทํำยังไงอันนี้อาจะมาขู่ทะยงคิดหรอก ยุ่งจะฆ่าก็ฆ่าฮะแค่ว่ามันไม่หมดรับรองว่ามไม่หมดยุง่งนั่นจะสู้ก็สิ่งมันหมดไปได้ยังไงเมื่อไรมันจะจบเรื่องมันไม่จบยุงจะฆ่ายุงจะฆ่ายุ่งให้มันจบให้มันหมดเรื่องยุงหมดยนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้สถานที่มียุ่งอย่างเมืองไทยแล้วนี่อย่างนี้อันนี้จะมาว่าเราก็เขาไม่หยุดเราก็หยุดแล้วมันก็หมดเรื่องนาะเรามีปัญญาแล้วก็หลีบเลี่ยงไปซะ จะทำงเงินจะได้ไม่เนือดขายุ่งอย่างนี้ออย่างนี้เห็ น, นว่าพระพุทธเจ้าคนนึงสอนนะอย่าเกินไปนะอย่ากันไปไม่ค่ะถึงยุงยไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างใช่ความคิดของเราถ้ายุงมันจะคิดถึงว่ามนุษย์ก็มีประโยชน์เหมือนกันเนี่ยจะทำํำยังไง ออันนี้มันพูดคนเดียวเราอย่างนี้นะอย่างนี้เราคิดวกไปวนมาดูไปดูมาอย่างนี้นะ่ะเราก็รู้เรื่องของมันอีมันเป็นอย่างงี้แม่ชีวิตของยุงอ่ะถ้ายุงมันไม่มีประโยชน์นะมันจะมากินเลือดเราทําไมเนี่ยอนี่แหละประโยชน์ของมันมันต้องหากินของมันเนียอย่างบ้านเราหลังหนึ่งนะ่ะเราปู่บ้านเราอยู่นะไม่ใช่บ้านเราอยู่ด้วยนะจริงจบมันก็มาอยู่ด้วย สุกแกก็มาอยู่ด้วยหนูมันก็มาอยู่ด้วยซึ่งมันไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครเป็นวัวเป็นผ่านใครเห็นที่มันล่มกันอันตรายต่างๆมันก็ขึ้นไปอยู่ท่านั่นแหละก็บอกมาอยู่เฉยๆก็ดีมันกัดเสือกัดหมอนผมเนี่ยเอ้ายุงหนูมันไม่รู้เรื่องมันกัดเสื้อกัดหมอนแมันกัดไปทําประโยชน์มันเอาไปทํารังมันมันจะไปให้ลูกมันกิน ไปทำที่นอนมันตั้งหากแล้วไม่ใช่ว่ามันจะมาแย่งเรามันทำไปตามธรรมชาติมันถ้าเรามีปัญญายิงษษษษษา่งกว่าจัตเจจานะก็ต้องอะไรคุ้มกันมันที่เรามีปัญญาอย่างนี้มันจะหมดรื่อเป็นยังงั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ค่อยจะย้อนมานะมันก็ลำบากเหมือนกันทำว่าทันย้อนมาอย่างนี้คือความอยากตัณหาเนี่ตัณหาคือความอยากถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็ระ ง, งับได้านะ ตัณหาตัณฑแปลว่าความอยากในพระไตรปิดกในในคมภีร์แต่ในการภาวนาของอัตมาไม่แปลอย่างนั้นหรอกแปลว่าตัณหาเนี่คือความอ้าไว้อ้าอย่างอ้าอม่งับนะีอันนี้อันนี้ตัณหาของกรรมาฐานภาวนานะแปลว่าความอ้าไว้นัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำสามพว ง, งไม่เสมอเว้ตัณหา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 อาตมาเคยเปรียบสุนัขให้ฟังสุนัขมันกินข้าวตะโกงตะการมันกินทนายก็กินไปหมดเอาให้กินสองจานสามจานมันก็หมดสี่จานห้าจานหยุดแล้วอิ่มเนี่ยอิ่มแล้วท้องมันอิ่มปากมันก็อิ่มแต่ความอยากมันมีอยู่มันอ้าเอาวางไว้ต่อหน้ามันมันก็นอนเฝ้าจานข้าวอยู่นั่นแหละสุนัขอื่นมันหิวหิวมามันก็ไม่ไม่ยอไม่กินเนอกเมื่อมาถึงจานข้าวมันก็บอก ไก่มาแสดงว่าท้องมันไม่เป็นตันหาละปากไม่เป็นตันห์ล่ืมันอิ่มได้แต่ไอความรู้สึกนึกคิดที่รู้สึกนั่นมันอยากคือมันอ้าอยู่เสมอพระพุทธเจ้าอาจารจึงบอกว่านาทิตันหาสมานทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มียิ่งทํามันอ้าไว้มันไม่พอแหละไม่พอไม่เต็มทิ้งที่มันไม่เต็มคือไม่ไม่งับ เออมันไม่งับถ้ามันนับเอาหน้าเพลงลงไปมันก็ไหลออกตรงนีน้ถ้าเราอ้าไว้มันเข้าไปขังตรงนั้นไม่พอไหลไปด้ว ย, วยมันไหลไปอย่างนี้ถ้าเราคิดเช่นนี้แดีวก็เป็นยังไงนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่พอมีเท่านี้มันก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนี้อยู่อย่างนี้เหมือนกับคนที่อยากมีชีวิตอยู่ไม่เห็นความตายของเรานะอืมเมื่อเป็นไข้จนจะตายมา็่อยๆโบนบานซานกล่าวโอ้ยทีนี้ขอทีเธอะ ถ้าจะเอาไปดีๆอีกสักหน่อยเลยครั้งหน้าเอาเถอะหายไปได้ที่นี่นะวันหนังป่วยมาอีกขออีกทีเถอะอย่าพึ่งมาเอาฉันเลยขอทีเถอะแล้วมันก็หยุดไปอีกตามธรรมชาติมันนะอแข็งแรงขึ้นมาอีกนะก่อนนึกว่าคนอันตรายแล้วไอ้ความเป็นจริงอันตรายมันยังมีพ้นมันยังมีใต้ต่อไปอีกก็เรียลแรงมาอีกเป็นไข้มาอีกขอทีเถอะ อย่าพึ่งมาเอาเลยไอ้ที่ขอเลยคือมันอ้าอย่างเงี้ยมันไม่จบสักทีขอไม่ได้ที่ได้บอกขอทีเธอะครั้งนี้ครั้งที่สองขอเธอครั้งที่สามเธอครั้งที่สี่ึ่งเอาไปครั้งที่สี่ก็ไม่ให้อีกครั้งที่ห้าที่บอกไม่ให้ตั้งก็คือคนไม่อยากจะตา ย, อย่องพูดง่ายๆแต่นี่คือความอยากไอะไรในชีวิตอันนี้อุปมาอุปไมยมันเป็นอย่างนั้นนี่แบบความอยากนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทําความรู้สึกทําปัญญาให้เกิดขึ้นมาให้รู้เท่ากับปัญหานั้น อันหนึง่งมันก็ทุกตลอดไปมันก็ทุกตลอดไปตัณหานี้ก็ดีว่าไอาความอยากนี่ไอคนนั้นมันก็อยากนะตัณหานี่คือมันไม่พออยากไม่พอพูดสองขับกับกันตะดีกว่ามันอยากไม่พอแต่หากว่าเราปราศจากตัณหาเราก็มีความอยากแต่มันอยากมันพออยากมันพอเป็นอืมตัณหานี่อยากพอไม่เป็น อย่างนี้อือแบกขึ้นไปที่เรื่อยๆไปที่นี่ก็บนเอาให้มากมันก็หนักมากแต่เอาให้มากคนไม่อยากให้มันหนักเ <c oughs> นี่ยมันเป็นไปอย่างเนี้ยมันไม่เขารู้เข้าทางมันแบกแนวเรื่ไป่ะไอ้ทางที่ถูกมันก็คือคิดเสมาไม่เคยคิดเสมอไม่เคยค้นคว้าหาความจริงของมันถ้าความจริงถ้าเราเห็นความจริงของมันแล้วมันก็นไม่มีอะไรมากไม่อย่างนี้มันถึงเป็สูดรมาอย่างนี้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 เพราะท่านบรร ญ, ญัติไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยไอสิ่งที่ท่านจะบัญญัติไปมีประโยชน์ตนมีประโยชน์คนอื่นนั้นท่านไม่ทำและไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้อันนี้เราควจะค้นคว่าหาอะไรต่างๆในสิ่งทั้งหลายแต่นี่อยู่อย่างนี้อืที่นี้หากว่ามันทุกไอความทุกข์มันเกิดขึ้นมาในีชีวิตประจําวันเรานะ่ะมันทุกข์ เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักกำานดรู้ทั่วมันทุกเพราะอะไรใช่ก่อนนะมันทุกเพราะอะไร<ม>คิ ด, ค, ดคิดไปมันมันทุกเพราะไอ้ลูกคนนั้นไม่ไม่อยู่แต่อำนาจแล้วไม่ฟังความแล้วมันดื้อย่างนงี้เป็นต้นนะเนี่ยก็ทามันแล้วก็ว ก, วก็พูดต่อพี่ว่าไอ้ลูกนีใครสร้างมันมา ส้างมันะมันเกิดมาจากใครมันเกิดมากับเรามาถึงเราเขาจะเล้วที่นี่นะไม่ใช่ว่ามันทุกข์เพราะรูปอันนั้นมันเรื่องดีรับมันเรื่องปลายเรศมันมันทุกข์เพราะเราเหตุอยู่ที่เรานี่นะเนี่ยถ้ามันเกิดความทุกข์เพราะลูปหมดก็ต้องคิดพวกมาอย่างนี้เราจะไปจําที่จำชัยมันจนเกินไปหรือว่าวิสัยเราก็ทําไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ตามมันไปถึงม่นปิดเพราะลูก คนที่จริงมันเป็นเพราะเรามันเป็นเพราะมีเหตุหนึ่งทุกจะเกิดขึ้นมาบริหิกํามโนตัวทุกนี่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันจะต้องมีเหตุไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันพุดขึ้นมาเฉยๆมันจะต้องมีเหตุอย่างน้อยก็มีความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เราควไไปค้นไม่ควรจะค้นพบมันพระพุทธเจ้าทตรั้รู้จักว่าโลกว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นอยู่อหอ ทำไมท่านมันถึงจะสงบล่ะก็สงบสิถ้าเราดูตามความจริงมันสงบสงบยังไงสมมุติใไปฟังว่าโยมเคยเห็นดิงไหมดิงทุกตัวมันสงบไหมนี่อตัวนี้มันก็ไม่สงบภาษาความ้องดิงฟ้องเด็กมันลิงก็เป็นอยู่อย่างนั้น่ะที่ไหนมันก็เป็นเพราะมันอย่างดิงแต่โยมไปเห็นดิงก็โยมก็ไม่สบายใจโยมก็อยากฆ่าอยากแกงมันเพราะมันบอกแวกไม่สงบแล้วครับ โยมเคยเห็นหลุดดิงที่มันสงบไหมมันนิ่งเนั้นมนุษย์เราสอนได้มีไหมันก็ไม่มีอาจจะมาว่ามันไม่มีนอกนอกจากดิงมันตายทีนี้เราจะเห็นดิงอ่ะเราจะไม่ให้โทษดิงจะทำไงเรารู้ว่าลิงทุกตัวมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะไปประคับไม่ให้มันให้มันสงบให้มันเป็นอยู่ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็รู้ว่าลิงมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกตัวดิงวิสัยดิงมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นะ เห็นดิงตัวนี้อย่างชัดเจนแล้วจะเห็นดิงทุกๆตัวในจักรวาล น, นี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าโยมเห็นดิงตัวนี้ชัดเจนมาไม่เป็นอย่างนั้นโยมก็ปล่อยแทนทเรื่องของลิงเนี<ม>่ยจะให้ดิงสงบไม่สงบตัวความรู้สึกนี้มันถึงจะสงบได้ไอ้ดิงก็ดิ้นอยู่ตามเรื่องของมันเน่ยพอช่างมันตีเราปล่อยเนะี่ยนี่ความสงบเกิดขึ้นได้พอเรารู้เรื่องของลิงออมันเป็นอย่างนั้น ที่เราไม่สงบแล้วไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราเรื่องดิงมันเป็นอย่างนั้นจะทําไงล่ะทุกตัวก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักเรื่องของดิงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยด้วยใจเราก็สงบไม่ผูกพันกับดิงเห็นตัวนี้แลดิก็เป็นอย่างนั้นไปที่อื่นเห็นดิงตัวนั้นก็เป็นแต่เมื่นตัวนั้นไปที่นั่นก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นจะเป็นอะไรกับมันล่ะนะความพยาบาทก็ดิงก็มีเพราะทําไมเพราะว่าดิงมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้แหละอืเท่านี้ อันที่เราอยากจะให้ดิ้งมันสงบแล้วครับอย่างงั้นมันก็ทุกอย่างงั้นทีมันทุกทีพระพุทธเจ้ามาให้แก้อย่างนั้นแก้โดยทางที่รู้เท่าตามธรรมชาติมันนั่นเองแหละเออจะแก้ไครยังไงดิงมันเป็นอย่างนั้นคิดไปคิดมาเหลือวิสัยเนะี่ยไม่ไม่มีทางที่จะแก้แล้ต้องปล่อยปัญญาลู่เท่าตามสังขารเห็นสังขารแบบมันเป็นอย่างนั้นปล่อยมันเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้อือ ไอความสงบเกิดไหมเกิดติีพ่อเราไม่สงสัยแล้วนี่ไปเห็นร<ม>ิงตึเป็นอย่างงั้นอะไเองไปเห็นตัวหน้าอะรเงเขไม่เป็นงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันหมดถึงร้อยตัวพันตัวสี่ตัวช่างมันปลอยให้ดิงหมดนะนี่วางจิตเราวางแต่ดิงมันไม่หยุดนะ่ะแต่ดิ่งไม่หยุดงั้นไม่สงบเลยดิ่งเรื่องของมันแต่เรารู่มันเราจิตใจเราสงบเรื่นี้หมความสงบแล้วให้มันนิ่งอยู่แต่ดิ่งอนะเห็นไหม นี่ก็เห็นริงแต่ไม่สงสัยแลยสิไม่สงสัยแล้วเห็นตัวนี้เหมือนตัวนั้นเห็นตัวนั้นเหมือนตัวนั้นแบบมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้ได้ความหมายิ้งมันเป็นอย่างนั้นนี่อโลกก็เหมือนกันโลกกับวิถีนะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกเหมืนอนอรารู้แจ้งลิงไงมาโลกมันก็จังเป็นกันอยู่างนี้เป็นอย่างนี้โดยมากคนจะรู้สึกอันนี้เพราะอ่เอง กำลังไอ้อออธรรมชาติธรรมแก่ขึ้นมาจบประการมากมากเนี่ยก็เลยฟังคำย่ำกันไปนิดนิดมองไปทา่านลังเห็นแอะไรหม่เสียดายเลยคือผมเปลี่ยนทุกมาทางไล่ปีเลยทีเดียวน่ะมันเป็นทุกมาหลายปีแล้วเพราะอยากให้ไม่เหมือนกันอย่างนั้นไม่ว่าจะไล่ปีหรืโยมจะคิดไปจนบนตายก็ทุกจนถึงบนตายแล้วไม่ปล่อยวางไม่เห็นที่จะมันปล่อยวางได้วุ่นวายหินความสงบเนี่ยก็อยากให้มันเปยนอย่างความคิดของเราอย่างนั้นเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ ไอ้ของนั่นมันเป็นอย่างนั้นเราจะให้เป็นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยให้รู ok ้เท่าตามเป็นจริงข อ, องสังขารแต่สังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้เท่าตามความเป็นจริงมันอย่างนั้นขันยากษ์น่ะขนยักะ <cs. S 1> ลิงมันจะเอาไฟไปเผาบ้านอย่างนี้นะะเหรอครับ <1954. S 1> <indung. S 2> เราเป็นทุกข์เพราะว่าลิงมันไม่อยู่ประสาทมันจะไปเผาบ้านให้เดือดตร้อน ไ, อไม่ใช่อย่างนั้นครับมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกัน เรารู้จักดิงแล้วก็มีปัญญายิ่งกว่าดิงมั้งใจมไไันจะไฟเป๋าเผาผ่านได้ไหมเออหนาอืมเหตุการณ์สุ่กเฉินที่มันเกิดขึ้นเรามีทางแก้ไขเช่นว่าชีวิตของเรานี้จะต้องตายเราจะไม่ต้องรักษามันเด็กนี่แต่ว่ารักษาอย่างคุณหมอทุกคุณหมอมานี่แหละรักษาเพื่อแก้ไขมันได้รักษาให้การตายไม่มีไม่มียากันตายไม่ได้ นี่เราลูกจากมันอย่างนี้แล้วก็รักษาไปอย่างนี้แท้ค่าการโรงพยาบาลแล้วนะไอ้โจนมันไปโขลนเขามาเขายิงมาเขารงพยาบาลต้องพยาบาลก็ต้องรักษาอย่างนั้นนายแพทย์ก็เลียกโจนไหมที่มันไปโข้นเขายิงมันมาก็มารักษามันไว้นี่อย่างนั้นก็หาว่าไอ้หมอตั้งร้ายรักษาโจนไปขโมยบ้านดีไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของหมอจะต้องรักษาอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ารักษามันมันดีแล้วนะมันมีเรื่องเดียกัน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 อถ้าโลกเกิดขึ้นมาตอรี่ไปห้าหมอสิแต่เหมือนดิ้งมันจะเอาไฟมาเผาบ้านแล้วคุบอกมันที่อยู่ดิทําอะไรไม่นี่จะต้องรักษาและระมัตระวังมันสิมันก็จึงเป็นอย่างนั้นอืมแต่ว่าว่าเราน่ะถ้าพูดตามความจริงไม่ต้องดิงมันเผาหรอกเพที่ตุนก็ย่อยยับไปอยู่แล้วก็ต้องรักษามันไว้มนุษย์เกิดมาแล้วก็มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายจะรักษามันไว้ทาไมมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็ต้องรักษาหมอที่รักษาโรคช่วงคราว ทะนุบำรุงไปชั่วคาวอืมอย่างนั้นก็ไอ้คนในโลกก็ไปให้โทษหมอทีหมอนั่นก็ไม่ดีแล้วรักษาฉันก็ไม่หายคนนั้นตายไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้นก็พูดบ้าๆบอๆไปเงี้ะไม่ใช่หมอรักษาไม่ให้ตายยากันตายของหมอไม่มีหมอเรียนมาจนจบปริญญาก็ไม่มียากันตายเลยมีหมอทําการหน้าที่ทะนุบำรุงให้อยู่ไปเป็นเป็ น, นวันๆไปเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้เดียกว่าดิงกไ็ไปเผาบ้านนะ อืมก็ต้องคิดอย่างนี้เละย้ยอนต่อไปประมาณมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> หรือว่าไงเแล้วต้องรักษาแล้วมีปัญญานะ่ะจนกว่าที่ว่าเรารู้จักกลิงนะดิงจะเอาไฟเผาบ้านนั่จะเฉยออยู่ได้เลยลักษณะของยิงคนรู้จักมันอยู่แล้วกนะ็ต้องรักษาควบคุมมันยันเด็กๆให้รู้จักภาษาของเด็กรู้จักภาษาของเด็กก็ต้องรักษาเด็กนะ นี่มันโจรหวงโจรบอรไปตามเรื่องมันได้ทาระรู้จักเด็กแล้วก็ต้องระวังเด็กสะกดรอยตามเด็กที่มันเป็นอยู่มันจะไปจับไฟมันจะไปตกบ่อ ก, ก็เฉยไม่ได้คนไม่รู้จักเด็กนี่อันนี้คือมันกำาอย่างนั้นคนก็นไม่รู้จักลิงให้อะไฟเผาม่านน้ำนะก็ต้องพิจารณานั้ น, น, น, น, นมั น, น, นทําให้เป็นทุกข์เออเป็นทุกต้กองระ<ร>วังเป็นทุกข์ติที่มาเรียนถามหลวงพ่อ่หรอคอับ เราเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์ครับหลวงพ่อทา ง, งานตามหน้าที่ของเรารมันเป็นทุกข์กว่าแก้พยายามไปยังมีคนนึงทหารตำรวจตวชลเลยไม่ยิงคนตามชายแดยนตายอืมะหลวงพ่อ <c oughs> ยิงพวกนี้ตายมันบาปไหม <c oughs> โอ้นะ้าจะพูดตามพระพุทธเจ้าตก็มันบาป ทำไมจะบาปผมทํางานตามหน้าที่ของผมเขาตั้งโรงฆ่าสัตว์ไว้คุณไปทำมาเป็นคนฆ่าจักในโรงฆ่าสัตว์นั้นคุณก็เลยฆ่าสัตว์เท่านั้นเนี่ยทาไมจึงจะฆ่าสัตว์มันบาปไหมเขาทํางานตามหน้าที่ของเขาเขาไปตั้งหน้าที่จะโรงฆ่าสัตว์สัตว์ในนั้นก็ต้องหน้าที่ของเราจะจ้องฆ่านี่ก็ไม่บาปสิอันนี้ก็เหมือนกันบาปมันเป็นอย่างนั้น มันถึงในรถในในลบในโป้นกันกระเพาะมันบาดนั่นเองแหละนเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นอืมเขาก็มาคิดเขามาเขาทำงานตามนาทีของเขาเป็นบาดไปด้วยเนี่ยอย่างนี้เราเป็นคนขา้าราชการในหลวงขา้าราชการนะเราไปสมัครงานในตรงนั้นเราก็ได้เขาให้เราทำก็ เ, เป็นนาทีของเราอมเราไปลงจุดนั้นแล้วก็เขาทําอยูอนะออ่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องนะมันก็บาดอืมอย่างนี้มันก็มันก็ผิดตามธรรมดาของมันอยู่ยางนั้น อเรื่องเพราะมันเป็นอย่างนี้อันนี้กรมบวนกันฉันนั่นนะเรื่องเีทวมันทุกมันก็ทุกนะนี่มันก็ทุกที่ไม่เรียนมมีดไมโครมมีดเทวมันคมจะต้องทําให้มันรื้อก็ไปอีกกันได้อย่างนี้ก็เพราะมันทุกนั่นแหละโยมมันไม่รู้จากทุกมันก็ทุกเป็นธรรมดา้วก็เปลี่ยนแก้ไขมันเรื่อยๆไปตามหน้าที่ของเราอย่างนี้เนี่ย ผลที่สุดท่านบอกเพราะว่าอยากวางให้วางอืให้วางอย่างเราหิ้วหิ้วตะข้านักหนักไปเนี่ยหนักก็หนักวาง้นี่ <c oughs> ไม่ยอมวาห่วงขนมอยู่ในนี้ไม่วางแล้วฉันจะได้อะไรไป <c oughs> ดดเรื่อหิ้วไปเรื่อยไหลายกิโลไปหิ้วเป็นนิดมันเหนื่อยหิ้วเป็นหนักก็ไม่ยอมทิ้งมันนั่นก็หนักเรื่อยไป <c oughs> จนกว่าที่จะไปจนหมดแรงก็ไม่ไหวแล้วนะทิ้งไปนะทิ้งกัจนเสร็จการขนมทิ้งไปทิ้งไปมันสบายรู้สอืิได้เหมือนกันได้มันเบาอืเละถ้าเราแบกมันก็หนักไงนี่อย่างนี้ให้รู้จักพักผ่อนดีเมื่อมันหนักก็พักไว้หยุดวางไว้ก่อนมีเที่ยวแรงไปที่ต่อไปอีกเพราะเราต้องการขนมนั่นอยู่ไหมคออืถ้าไม่ต้องการก็เลิกทิ้งมันไปได้เ่ยทิ้งไปเลยก็ได้นี่ท่านรู้จักการรู้จักเวลาอย่างนี้รู้จักเลื่อนประมันอย่างนั้น อย่างนั้นไงแบบแบบอย่างดีหรือชั่วอย่างเนี้มันมีคุณค่าเราท่ากันถมองถึงที่สุดมันะดีดีมันแหละจบเรื่องนะยังไม่จบเรื่องวันดีนี่เรื่องดีดีไม่จบเรื่องมัน่ะดีนี่ไม่จบเรื่องดีเพราะมันดีไม่อุปทานอยู่ในดีนะดีนะดีถ้ามันดีเกินพอดีเรี่ยมันทุกข์นะ ดีให้เกินพอดีให้ดุจจัดดีไอ้ทวมความทุกข์เกิดจากการดีนั่นฆ่ากันเนี่ยเรื็ยๆนี่ดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นเนี่ยมันไปติดดีนะั่นดีกิท่านก็ให้วางนะพระพุทธเจ้านะ่ะเจะแบกอะไรก็จังมันดีมันดีเกินขีดดีแล้วมันชั่วมันหนักเกินขีดหนักก็ต้องวางอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่ า, วาอันนี้มันดีอันนี้มันชั่ว สิ่งที่ว่ามันชั่วคนละอันที่มันดีนั่นเก็บไว้ปฏิบัติไปโดยการปล่อยวางไม่ใช่โดยการความยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติความดีไปไอ้ความดีมันก็ล่นเหนือเป็นมาได้ดีเรือยๆไปนะมันดีจนเกินดีใช่ไมันร้ายนะที่นี่นะไปติดในดีนอีกแล้วหวุ่นนื่มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน ท่าอบ้านเนี่ยเพระาะว่ามันยุ่งเนะาะท่านี้จากบ้านมาก่นคิดถึงจะทํา ง, งาละ่ะจะอยู่ตรงไหนกันดีปัญหามันเป็นอย่างนี้อยู่บ้านมันยุ่งบางทีก็บ่นอยากจะหนีเลยนะแต่วันนี้จากบ้านเนี่ยก็คิดถึงบ้าน เอยึดันมาแล้วนมันก็เป็นเรื่องแปลกนะมนุษย์เราเนาะอืมมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ว่าออกจากบ้านไปได้มันมายุ่งก็สบายแต่ว่าคิดอย่ากลับคือไม่ใช่อะไรหรอกมันยังไปไม่ถึงที่มัน ในความรู้สึกนี้คิดของเรายังไปไม่ถึงที่อยู่อย่างดีท่านเองบอกว่าวตะไปแล้วเดินกลับมาไม่ถึงที่สุดมันอย่างง่ายๆอย่างย่อๆเขาเรียกว่าเรามาอบรมที่นี่มาธุระอย่างนี้แต่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเรามทําความไม่สบายอยูน่นี้บ้านอื่นแม้จะสนุกสุขสกานอะไรก็ช่างแต่มันยังย้องคิดไปถึงบ้านเราอยู่นั่นแหละ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 คนอื่นเขาแบกเราหนะัะ ต, ตรงนี้นะมันน่าคิดนะเราแบกเองเราหนักเองเรานี่มันก็คิดได้ครับนะพอนะคิดได้อันนั้นคนอื่นเขาแบกนีเราหนักนะคนนั่นทําผิดเราก็ไม่สบายเหมือนเนาะคนอนนื่นเขาแบกเราหนะักเคยมีไหมโยมดูดีๆนะ เราแบกเองเราหนักเองใครชั่วไม่เห็นง่ายไอคนอื่นแบกเราหนักเนี่ยมันไม่ค่อยจะเห็นตัวเรา น, ะน่าจะให้คนแบกนั้นหนักเนานะหรือว่าไงถ้าพคดรตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นโดยมากมันเท่ากันใช่แล้วหรือจะมากกว่าก็ไดนะ้เราแบกแล้วก็เราหนักไอกคนอื่นแบกเราก็หนักมันหนักทั้งสองอย่าง เขาแบกแล้วกนหนัเราแบกแล้วกหนักจะทำยังไงดีนะนี่มันเป็นแค่อย่างนี้เราควรย้อนยอ้ยอนคิดดูว่าชีวิตมนุษย์นี่มันมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงนะมันผสมเสมกันอยู่แล้วไม่รู้จกเลือกจะถอดออก น, นั่นก็เป็นอย่างนี้นะถ้าตรงไปเราแบกเราหนักก็ดีกว่านะน้องทัคัญในคนอื่นแบกนัไม่ควรจะหนัก ทำไมมันหนักเคยหนักไหมอย่างนั้นจะต้องอดทนอดทนเรื่องที่มันอดทนทั้งนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันอดทนในทางธรรมะท่านเว่าขันติความอดทนอดทนมันเป็นแม่บทของธรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกคนจะต้องอยู่ในความอดทนนั้นอดทนมันอดทนอดทนได้ความดี แต่มาได้ความดีแต่ก็ลงดีอีกก็มีนะมันก็แปลกอยู่นะน่ามันจะจบเรื่องมันนะะได้ดีไม่ไ ด, ด้ก็ลงดีอีกทีหนึ่งดีก็พาเราทุกข์อีกดีกับชั่วรักกับเปียดนี่มันไม่พน้นมันจึงอยู่ในกลุบนี้ lee. นี่ถ้าคิดทรมาอาจคิดคิ ด, คดในในใจของเจ้าของและแก้กตัวเรานะทีนี้เธอมันทุกข์ก็ไปให้คนอื่นแก้ คนอื่นแก้ทุกไม่ได้อธิบายทางให้แก้ทุกทั้งนั้นทางที่จะแก้ทุกทั้นั้นเรื่องจะแก้จริงๆเรื่องคนทุกจริงเป็นเรื่องตันเองพระโรมมครูเขาเนี่ยอกตจารูสะทากตาสะทากป็นแต่ผู้ๆๆบอกบอกให้ยกันนั่นมานี่ยกอันนี้ไปน้นบอกเท่านี้ไหว้น้ําจะต้องทําอย่างนั้น ไม่ใช่ท้าโคตไปไหว้ให้ถ้าท้าโคตไปไหว้ทหารก็ตายตอนนั้นเนาะมันก็จมน้ําคตอนนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นนอ่าปีนี้สองปีมาเรียรู้สึกว่าเจ้านายข้าราชการบ้านเมืองเนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยประชุมกันเพื่อหาความรู้ความเห็นนะความที่ถูกต้องประชุมกันหาทางเี่นมันถูกต้องทําไมถึงประชุมกันมันยังไม่ไถูกต้อง ได้มาไม่ถูกต้องมันก็ไม่เคสะดวกไม่เค ย, ยสบายที่มาประชุมกันนี่ก็มาประชุมในความเห็นที่มันถูกต้องอย่างนี้ก็จะค้นความสบายจะพ้นความทุกข์นี่นม่ค้นก็ยังไม่รู้จักนาะมันเป็นอย่างนี้อืม <c oughs> เรื่องโรคมันเป็นอย่างนี้โยมเห็นอยู่มันเห็นอยู่เห็นอยู่อย่างนี้ไอทุกทั้งหลายนั้นมันอืมันก็เรานั่นมันสร้างขึ้นมาแต่อดทนเห็นอยู่ไประองตรงนี้มันหนัก เดี๋ยวเราอยากใกล้มันยกยกมันก็หนักจริงๆเมื่อหนักก็ต้องอดทนอย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้อย่างเราที่ศึกษามานะเมื่อเราเป็นนักเรียนเห็นผู้ใหญ่ดู้ไม่จะสบายนะเห็นคนนี้ทําอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้เห็นเจ้าเห็นหนายเห็นครูบาอาจารย์มันจะสบายแเราคนนึกในใจเราแล้วก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้าง นะอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างได้ยพยายามจนเป็นขนาดนี้แล้วก็ยังมีทุกข์อยู่นะมันยังมันก็ยังมีความทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นนะี่มันก็ไม่พ้นอยู่ขั้นนี้ก็ไม่พ้นอีกก้าไปขั้นหน้าอีกนะก็รู้ว่ามันจะพ้นนี่ไปอีกยิ่งหนักก็ไปีเรื่อย่างเหมือนกับคนแก่แล้วเด็กมันคิดหม่มาก โตขึ้นมามันคิดกวา้างคิดมากมันมีความฉลาดมากไปช่วยก็หมดตรงนั้นแหละคนทางว่าเราฉลาดคนเดียวมันก็ทุกคนเดียวเนาะเอาให้หมดอย่างนี้ความคิดของคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนั้นคือหมายความว่ามีมากก็ตรงแบบมากยึดมากไอ้ความเป็นจริงนั้นการกระทําอะไรทุกอย่างตายรู้จักหน้าที่ กันทุกคนได้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรนะดูว่านาทีความสบายมันก็สบายความสบายมันมีอยู่แต่มันคนส่วนมากสถานที่นี่กันก็ดีกว่าโลกโลกโลกเปนแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือมืดเจริญนั่นเองแหละนะนี่โลกเปนแปลว่าความมืดแม้โลกมันเจริญเจริญมันก็มืดเจริญคือ อย่างวัดอัตมาแต่ก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีก็เห็นว่ามันสว่างไม่สว่างมันมืดนะถ้ามีไฟฟ้ามาแล้วมันจะสบายมีน้ำก็จะสบายมีไฟฟ้าก็จะสบายโอ้ไฟฟ้าไม่มเกิดมาอมีกมนนะก่อนจะมีไฟฟ้ามันต้องเสียอะไรต่อะไรไปมากมาก่อนจะมีน้ำมันจะเสียอะไรไปมากมากแต้องลงทุนทั้งหมดนะ ม, มันเ ก, เกิดจากความลาบากที่มันสว่างแล้วนะ มันไปยังไปปิดใจแล้วมันมืดอีกที่มันเสะดอกแล้วมันก็ไปปิดใจแล้วมันมืดอีกคนเราชอบมักง่ายถ้ามันสะดวกสบายเลยยิ่งมักง่ายยิ่งมักง่ายสมัยก่อนบ้านเรานะมันเจริญเนาะบ้านเมืองก็ไม่เจริญนะทำช่วงอยู่โนในฝานดูซาไปเลี้ยงไม่ได้ไปไม่ได้ที่น้องที่นั่นต้องทำช่วงที่นั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 บ้ามันเป็นพ่ออันนั้นว่าม si <exist. S 2> ันเป็นพ่ออำนาจมันเป็นพ่ออันนี้มันเคยชี้เข้ามาเลยเฮ้ยติมตอมันอยู่ตรงนี้แหละมันเคยชี้กับมาในนี้มันก็ไม่กระจ่างัชนไหมว่าคนนู้นคนน้องคนนั้นนี่ชี้ออกกัน้านอกนั่นก็ไปเห็นของข้างนอกกันแหละไปแต่งของข้างนอกไปดีดีไปแต่อันนี้ไม่เคยแต่งกันนะจิตใจไม่เคยแต่งบ้านสกปรกแล้วก็เห็นได้ทําสะอาดบ้านแล้วก็ทำได้ ช่วยจานมันดื้อละเห็นไม่สวยงามแล้วก็เห็นได้เราล้างแม่ก็สะอาดได้แต่ว่ามันสะอาดแต่บ้านสะอาดแต่ถ่วยจานใจไม่สะอาดล้างจานปัดบ้านกวาดบ้านในสะอาดใจเราสกปรกหน้าบูดหน้าเบี้ยวอยู่ไม่เห็นตัวบนอยู่อย่างนั้นแต่ทุกเลยอันนี้ก็นหาสูญสารตัวเองเหมือนนะเม <c oughs> <c oughs> ื่อกี้แล้วนะ <c oughs> มีมันตื่นเชยอย่างนี้ถ้าเราพยายามกวาดเหมือนบ้านเรา พยายามเช็ดเหมือนว่านเราพยายามทําความสะอาดเหมือนั่วยจานบ้านเราเราก็คงจะอยู่กันสบายนะะอันนี้เราไปพยายามเช็ดสี่งของไม่รู้เรื่องไอ้ถ้วยมันจกกระโกมันเฉยถ้วยมันสะอาดมันเปเฉยมันเฉยทั้งนั้นของที่ไม่รู้เรื่องเราไปทําสะอาดมันซะถ้าไม่ถูกจุดมันมันจะใสขนาดไหนใจเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็จกกระโหกอยู่ตรงนั้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าจิตของเรานั้นเอง ไม่ค่อยพยายามดูมันตามใจมันสัถ้าพูดตามภาษาโลกตามอารมณ์อารมณ์ของคนที่ปาทะที่มันจะเป็นไปนะในครอบครัวของเราวันนี้มันรักกันลูกนี้มันเกลียดเหเกินลูกเราวันนี้เรารักมันพรุ่งนี้เราเกลียดมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้น นี่ก็าเรียกว่าใจเราไม่ฝึกหาหาความสงบไม่ได้ไอ้ความรักมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาไอ้ความเกลียดมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาในน้อยเกินไปมันก็ทุกข์ในมากเกินไปมันก็ทุกข์แล้วจะอยู่ที่ไหนกันโยงหาที่อยู่แล้วหรือยังที่อยู่ละ่ะหาที่อยู่ล่ะหาที่อยู่กันเถอะนะนะทําไมมองหาที่อยู่ของเราล่ะ เราพยายามสร้างอะไรต่อะไรมานี่หลายหลายหลายปีหลายเดือนมาแล้วเพื่อหาความสงบเพื่อหาความสบายไอ้ทําไมทึกรนาดนี้มันยังไม่สบายกันมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เราทํำไม่ถูกกันนะดูไปที่ไม่เคสบายนะพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ร่วมกันมันไม่น่าจะทะเลาะกันนะทำไมมันทะเลาะกันวางวันอยากจะลุกหนีแต่คืนไปเลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาอีกแล้ว แม่มันลําบากนายโยมนะแต่มาเห็นว่าไอ้ที่อยู่ของเราจริงๆเราเราไม่เคยจับมาพันนะอืไปเช็ดที่อื่นไปถูที่อื่นไปทําความสะอาดที่อื่นไม่ทําใจรอยมันสะอาดนะต้องไปยุ่งอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เนี่ยมมันที่ไปแต่ขันนอกพระพุทธองค์อาจารย์สอนโอปานายโกนอนพมา น้องเข้ามาน้องเข้ามาให้มาถิ่นกระจีบของเราอย่าเงี่ยนี่ให้น้องเขมาให้มาถิน่นในใจของเจ้าของแต่ทุกวันนี่มีแต่บังคับแม่แต่มาม่วงเยี่ยนี่แม่เคยมีมาม่วงหวานอะไรเงี้ยน้องโม่งกล้องนี่มันหวานนะเพื้นเดิมมันหวานเยี่ยนี่เขาบังคับมันไม่แก่แล้วก็มาโบมซะแล้วนะนี่นะเอามาโบมซะแล้ว เขา้องสารเร็วมาทานนมกับเปรี้ยวเมื่อเม่ม่วงนื่อเมื่อเมื่อนม่เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมั่อมื่อเมื่อเมก่อเมืเมื่อเมือเมื่อเมื่อเมื่อมื่อเม่อเม้องมีๆก็มห่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเองมื่อเมื่อมันเมืีเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมอเมื่อเ่อเนี่อเมื่อเ่อเมื่เมื่อเมื่อเมื่อเมันอเมเมื่อเมื่เม่อเมืเม่อเมื่เ่อเมื่มื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่เมื่อเมื่เมื่อเม่อเมื่เมื่อเมื่อเมื่มื่อเมื่อเมื่ม โดยมาพิจารณ์ของปลอมของปลอมจะโดยมากมันเป็นของปลอมใช่ไปยึดมัน่นรือมั่นของที่มันปลอมแปลงไม่แน่นอนไปยึดมันเป็นของจริงพระพุทธเจ้าให้เห็นศัพท์จะทำคือความจริงของที่มันไม่นปลอมคือของแท้อย่างนี้แล้วนี่มันแทบจะหลงละของจริงของไม่จริงไม่รู้เรื่องอย่างนี้ยก็เลยเป็นกันไปอย่างนั้น นันก็เกิดความรู้สึกคิพิท externally ทิ้งที่มาดัดแปลงมาปลอมแปลงให้มันเหมือนของจริงอย่างนี้นั่นก็เป็นไปอันนี้ก็เป็นกันชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตอนนั้เป็นโอเป็นัวน้อง ก, กันมาให้จิตของเรามันเห็นถ้าจิตเรามาเห็นถ้าจิตเราไม่เป็นนั่นก็เป็นไปอย่างนี้เยไม่มีทางที่สว่างเรามีรูปมีหลาน รักลูกรักหลานรักลูกรักหลานก็ให้ดิชันความรู้มันให้ความแนะนํามันอย่างนี้ตามความจริงก็เป็นอย่างนั้นตอนเช้าแล้วก็สอนมันตอนเย็นเราก็สอนมันสอนไดที่สอนไมหยุดเพราะรักลูกไงกลัวมันจะไม่ดีสอนทุกวันสอนทุกเชา้าสอนทุกเย็นสอนน า, นนานลูก เข้าใจบพ่อแม่จู้จี้จุกจิกแต่พ่อแม่พยายามสอนลูกให้มันดีเอาล่ะเป็นคนในแงด่ดียิ่งสอนไปไปเถอะมันยิ่งไม่ฟังตัวยิ่งสอนมันอยากจะให้มันดีลูกก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งขัดใจบางทีหนีจากบ้านไปเลยไม่ต้องเรียนหนังสือกระไรนันบอกแม่พ่อแม่จู้จี้จุกจิกมานเกินอยู่ไม่ได้แต่ว่าถามพ่อแม่ฉันอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันเป็นบุตรที่ดี ใน่ัางาานที่ดีในีิชาที่ดีพ่อเม่คิดไปอย่างไปถามถึกแม่พ่อแม่จู้จี้เรือเกินผ้อยู่ไม่ได้รอ้วใจคนเดียนะยิ่งรักก็ยิ่งสอนไห้มากสอนไ้มากก็ยิ่งจู้จี้จุกจิกมากมันเห็นไปคนแตทางอย่างนี้อย่างนั้ น, นเราจึงหนักใจกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ตรงนั้ น, นมันเกอดลบกันทางใจ เดี๋ยวก็เป็นทางใจบางคนมีแท้มีพ่อมีแม่ลูกคนเดียวกันรักคนในอย่างพ่อรักมันเพื่อจให้มันเขียมให้มันอดทนแม่แ่รักมันเพื่อจะปล้อบอาหารนี่มันจนดูมดขออะไรก็ให้ขอเยอะขอยุดยุดจะทำให้เด็กชั่วยานกะรอบเลยเปให้กัน ทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยนานๆได้ก็ลูกไปเป็นพ่อแม่ก็ทะเลากันอีกแล้วมันจะชอบจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้กหมือนกันเน่ะเราทำการงานให้รู้จักหน้าที่การงานของเราทุกๆคนแต่บาคนมากเหมือนกันทุกคนมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าถามบอกว่า เป็นครูเป็นอาจารย์คนอย่างอัตมาอย่างโยมชอบอยากจะเป็นเปรดเปรตอะไเปรดอย่างละเอียดเปรตยังไงอาจจะมาจะเล่าเิทานให้ฟังกัน่าฟังเัมนกันนะไม่อยากจะเล่าแต่มันยาวแต่ว่าคนจะเล่าก็เล่าใม่ฟังอยากจะพูดไอ้สั้นๆให้มันคุม้มแต่มันหาไม่ได้นะท่านเนี่ยความีคนคนหนึ่งเป็นคนติดใจบุญชุนทาง แต่เป็นภาระวา่าอยู่อะไรจะเป็นบุญอะไรจะเป็นกุศลแก่พยานั้นไปทําแกก็ทําให้มันดีแกก็ทําให้มันละเอียดทุกอย่างวางของตรงนี่วางไว้ตรงนี้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นถ้าลูกหลานจับมาเคลื่อนระบนิดอะไร่เงี้ยไม่สบายใจนะไม่กวดจึงตรงวางตรงนี้ปาน้ำต้งวางตรงนั้นวางตรงนี้เมื่อใครมาทําผิดหวัง แต่แกเป็นคนละเอียดดีใจบุญดีเป็นระเบียบวันนึ่งผมคิดแต่เห็นศลาในป่าที่คนไปพักอยู่ใต้ต้ไม้เพราะงี้ท่านจะมาสร้างศลานี่ก็ดีใจจะได้บุญพอข้าพอขายไปมาจะได้พักพอนอนใจจะได้มีควสบายคิดแต่แกก็ไปทําอำไปทําอย่างนี้ที่นี่ป่าก็ายังคนพักเมื่อทําเสร็จแล้วแกก็ น่ต่อไปแค่ก็ตายตายแต่แล้ววิญญาณน่ยไปเกาะอยู่ตรงนั้นคือมันเกาะแต่เมื่อมีชีวิตอยู่นเนี่ยเมื่อสร้างสลาแ่ก็ไปพยายามไปดูมันเป็นกบบไหมคนมาพักทีน่นเป็นยังไงอะไรเรียบร้อยถ้าคนทำไม่ดีแต่แกก็ใจไม็ดีถ้าคนใจดีแกก็สบายใจเพราแกเป็นคนใจบุญทุนทานละเอียดละเบียบอีกวันหนึ่งพ่อข้าเปลี่ยนมาหลายร้อยเลยมาพัก พี่มาพาักแรกอะก็คาเปียนกินข้ากันไปมองเันเป็นแค่เจ้าของสลาเนี่เป็นเติจะมามองเลยไม่เป็นระเบียบหรือเปล่าเนี่บอกเนี้ย ม, มาพักเนี่ยยังมาดูนะมาดูทางศีรษะมันก็ไม่เสมอกันแต่และ <c oughs> บางคนสูงสูงบางคนต่ำต่โอ้มันยุ่มหัวใจได้เกินจะทํายังไงทำไงดีนะก็ไปคอยไปดึงทางข้าวมันดูไป มันเสมอสีสากันเสมอกันนะดึงไปสุดแถวนล้วก็แถวนี้ดูฮะพอใจแล้วที่นี้เรียบร้อยต่อก็มาดูทางเท้าวนันอี้มาดูท้งเท้าอ้าวไม่เสมอกันอีกแล้วทำไงนี่เนะี่ <c oughs> ก็ไปดึงสีสาก็าคืนไปอีกมันเสมอกันทั้งนี้ก็ดึงเสมอกันแล้วดีแล้วเท่าดีแล้ววนไปไปรอบๆไปดูทางสีสายอ้าวไม่เสมอการอีกแล้วทังนี้ เกรตได้ยุ่งกับจุลธาุตนห่เกินทอดอะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรนะเท่านี้นะมันหลงในหลงไหลหลงในนีมั น, มมนเปียรตมันหลงก็มานั่งคิดแต่เรืรู้จุดอ๋อไอคนนี่มันสั้นยาวไม่เสมอการนะไอความสั้นกัความยาวของคนไม่เสมอกันตัวมารู้จุดเอือวางนะมันอย่างนี้คนใจมันมันแค่ก็ไม่แค่ลับ ก, กัเพราะมัน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 พวกเราก็เหมือนกันี่ไปเห็นเหตุวันนี้ก็ไปรู้เหตุมันเป็นอย่างนั้นการเจอทําให้มันเสมอกันอย่างนั้นปัญหาที่จะต้องที่แล้วเพราะมันแก่ไม่ได้จะไปตัดแข่งตัดขาก็ไม่ได้ก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนี่ได้ไอความยึดมั่นรูปธทามเนี่ยไปยึดให้มันถือมั่นให้มันเหมือนเหมือนกันไอพวกเรานี่ก็เหมือนกันทั้งต่างโลร่ต่างมีธุระหน้าที่แต่กลุ่มจะไม่เสมอไปนะนั้นนะ บางคนก็ชอาไปบังบางคนไปไปบังนะบางคนก็สารภาพอย่างนะโยมนะมันได้เกิดยุ่งเหมือนเปรแล้วก็ชอบเก็นเป็นเปรตอย่างนั้นบางทีอาจจะมาเป็นเปรตเหมือนกันแต่มันรู้สึกง่ายเราอ้าวมันเป็นเปรตเดี่ยวเรานี่เลิกอย่างนี้ทําไมเพราะอาศัยดุจศิลดุจหานอยากจะให้เขดีอยากคนทําเป็นละเอียบเอียบร้อยบางทีก็เป็นทุก ทุกอย่างเนอ่เ้ยเราเป็นเปรียแล้วเราเป็นเปรีแ ล, รปปรแล้วสอนจะฟ้องไปไเรื่อยๆนะยังนั้นมันก็ยังเกิดเป็นเปรียอยู่บ่อยเหมือนกันนะไม่เคยยมอมง่ายนะจะต้องทาไปจนคำนานคำนานนะมันดูเหตุนมันจริงๆไงมันเป็นนานยังนั้นแล้วจึงปล่อยไอ้คนนี้ทำอย่างนั้นคนนี้ทาอย่างนี้นนนมันก็ปล่อยวางมันก็เบาลงไปเรื่อยๆทำไมมันไม่เป็นพอเขามันเป็นเพราะเราเห็นไหม ใจเรามันไม่สะอาดเราคิดว่าคนมันเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่มันเป็นเพราะเราคนไม่เสมอการเราอยากให้มันเสมอการเราคิดผิดอย่างนี้จะไปแก้ตรงไหนแล้วก็มาแก้เราเห็นเช่นนั้นแล้วก็สบายไอ้พวกเราในกลุ่มเดียวกันก็เหมือนกันอย่านะ้บางทีโดยมากโปร่กนักเรียนโรงเรียนใหญ่ๆมะเอานักเรียนมาให้ตรงพ่อสอนแม่นักเรียนมันสอนยากเล็กจนจนหาจะทำยังไงมันดื้อ มันก็จริงเหมือนันอาจารมาก็มาสอนนักเรียนสอนไปด่ามันไปได้รับนะสอนเด็กนักเรียนจบแล้วก็มาหันไปฮัตครูครูเราเป็นยังไงการนั้นนะมีกี่คนมีห้าสิบคนสามสิบคนทำไมสามวันที่กันดีถือไหมถือเป็นยังไงสบายไหมไม่ควรจะพูดนี่ลูกเป็นอย่างเนี้ ก็ไปให้เด็กนักเรียนยให้โทษมันอีกตเหมือนกันเราไอ้นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปมันล้มลงตอนนี้ว่ามอเตอร์ไซค์พาเราลม้มความเป็นจริงก็เราพามอเตอร์ไซค์ลงถนนไม่มมใช่นเรื่องนัเด็กกันพูดไม่ได้อย่างนี้อาตมาได้สารูปว่ทาทั้งทั้งหลายนั่นแนะ่คิดๆเนี่มันดีซะนะอันนั้นมันเป็นอีกที่เราเป็นผู้ใหญ่โดยฐานะแล้วเด็กมันผิด ก็ควรให้อภัยนะมันไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ๆดิไปทาผิดที่ไม่ควรให้อภัยแตแล้วว่มามันผิดไปยังไปทําอะไรในผิดอยู่เนี่ยคือ<ๆ>เพราะพระพุทธเจ้าตั้งสอนว่าท่านสอน้คนไม่รู้ท่านสอนให้รู้คนรู้เรื่อไม่ทาตามนี่ท่านสอนไม่ไี้หลักมันเป็นอย่างนี้นะในกลุ่มเราคงจะมีมากเหลือเกินตรง น, นี้เนี่ยคนไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ <c oughs> คนดูแล้วเนี่ยไม่ทําตามนี่ท่านสอนไม่ได้นี่ท่านจัดเป็นคนประมาณอืทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทำํำไมพวกเราจรึงเดือดร้อนมันเดือดร้อนพอั น, นี้เองเพราะเราไม่หันดูตัวเราสักทีหนึไปดูแต่อย่างอื่นนอ้ไปทำที่อื่นให้มันสะมันสวยให้มันเบิกมันหวานตัวเราไม่กูดไม่เกาไม่สบงังสักทีหนึ่งนะมันก็ยุ่งเรื่อยไปนะโยมอยุ่งนุ่งมองไปไหนก็มืดเพราะอะไรเพราะตามันเสียอืม แก็แง่มืดจะเกินอะไรมันก็มืดไม่รับรู้จังสีแดงสีเขียวไม่รับรู้เลยไม่เห็นตัดปฏิเสธ เ, เราไม่มีแสงเลยอย่างนี้มันก็ใช่ของคนตาบอดนะไอ้ความเป็นจริงน่ยไปยุ่งกับป่าหรามันเป็นเพราะตาเราไม่สว่างสีมันก็ไม่มีถ้าตาเราสว่างสีมันก็เกิดขึ้นมาถ้ารู้เรื่องอย่างนี้น่ะอันนี้เรามองกันจริงแบบนั้นอย่างนั้ น, น, นเราจึงไปทําแต่อย่างนึ่นได้เดยมากตั้งแต่ทูบให้อยู่อย่างนั้น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 ท่านเทศให้ความถูกทุกอย่างนะแต่ เ, เราทําไม่ได้อันนี้อาตมา ก, ก็คือจะหมดกําลังใจไปเหมือนกันมันหมดแตคล้ายๆเราทําอะไรมามาก็าโยนลงหน้าหมดในชะ้ไหมทำมายโยนลงหน้าหมดจะชื่อลายหมดในชะ่ไหมก็หมดกําลังใจที่จะสอนเหมือนกันนะแต่ว่าอาศัยความอดทน อาศัยแบบคนนั้นเองเสมอการขาดจะมาจะทําความทุกข์ขึ้นในใจกับตัวจะมันเป็นเปรตโดยแต่ให้มันเป็นต้องอดทนไว้พิจารณาไว้อย่างนี้อันนี้กคนกันการชีวิตของพวกเราทั้งหลายนี่คนทําให้มันราบรื่นสิ่งที่มันรับรื่ม น, นมีอยู่ถ้าพูดถึงการใช้สอยทุกประการทุกประการนั้นน่ะโดยมากคนเรื่องเงินไม่พอใช้ไม่พอใช้มากทุกคน เงินระจาจะทำยังไงใหมันพอใช้นะออจะพูดแก้ปัญหาให้ฟังทั้งหน่อยนนทะโบนเดี๋อเพิ่มเกินเงินพอใช้เงินพอใช้จะได้อะไรมันจะพอใช้อีกนจะทำงานจะพอทำ พ, พระพุทธเจ้าสอนกับการหาเงินกับการใช้จ่ายเงินให้มัน การหาเงินไม่คปอยลำบากเ่าไหร่การใช้จ่ายเงินนี่สาคัญมากที่ดนี่หลักของมันท่านสอนนะพระพุทธเจ้าสอนนะหาเงินโดยวิธีนั้นหมายเป็นสมาธิวะมีความภาคเทียนพยายามหามาแล้วจงเก็บก ร, รมให้เป็นประโยชน์อะไรควรใช่อะไรใหญมันคุ่มเฟือยไปเสียไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างนี้ท่านสอนเลือลดเกินที่เราไม่ค่อยฟังนะ ถ้าเข้ากลุ่มหมดทลายเข้ากันเถอะไปค่าจ่ายเงินนะออาหารการอยู่กินเนี่ยไอ้สิ่งที่พอดีพอดีน่ะอาตมาไปเห็นที่เบสเขาไปมืองนอกอาตมายังจับใจได้โยมเขาทําดีกว่าอาตมาเขากินข้าวนะอันนี้เขามีถ้วยหนึ่งภาชนะหนึ่งภาชนะที่สองใส่อาหารภาชนะที่สามใส่หวาน อาหาราก็กระจับมาเนี่ยคุกป่ะกันนี้ก็ชั้นหวานเอามาคุกประกันนี่ก็ชั้นชั้หมดแล้วพอดีแล้วเอาน้าเทใส่นั้นใส่ใส่ภาช น, านะน้ำมาเทรวมนี้อีกเทใส่ถ้วยหวานน้ำมาเทรวมล้างให้ดีๆนะยกใส่ไปเลยหมดๆๆหแม่จะมายินดีเกินไม่จนไม่จนเรียบร้อยไม่มีอะไรนะแล้วก็ที่ชั้นเขาเนี่ะ แตาโถนี่นี่ไม่มีไม่มีวุ่นน้ำลายไม่มีอะไรเข้าไปในป่าเลกินได้หมดเรียบร้อยไม่ต้องอะไรมากนะี่น่ารังงึกกระลัดมั น, น เ, มกมเก็มๆเรีอบร้อย ม, มออัม่มัอ่อจะมาเมื่อจะมามันโหหลายเดือนะบางทีใส่ครึ่งบาทเดือดเห้สุนัขสุนี่กินตะพืชตะพือไปนลยไม่เห็นความบกพร่องของเรานี่พระพุทธเจ้าให้ย้อยางนะั่นพยายามถ้าแต่เราทานจริงๆมันไม่มากหรอกโยมมันมมากยาน จานหนึ่งสองจานอย่างนี้กาแฟนี่ก็แก้วหนึ่งช้อนั้นนี้นเดี๋ยวนี้เราแก้วหนึ่งยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พอเลยดีดีมันพอแต่ยังเกี่ยเอาไปครึ่งแล้วตั้งในตุกนั้นจานข้าวไปกินตะครึ่งอย่าตั้งไว้นั่นแหละพอเดินออกไปใจเขามองว่านี่คือใครดีใจใ น, นสักหน่อยนึงเนะจะไปกินหมดไปนขึ้นโโลกโกโสเกินไปอย่านั้นเลยคุมเฟือย ญาติโยมเราทำบุญมันกันแต่มาไปดูฉันมีสบายมรดแต็มทำไม่เกิดประโยชน์ทำได้แต่มันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรถ้าหากว่าเรารู้จากการทำมาการหาเินการยึดที่ของเรา